คดีคาบทวิพังห้าร้อยหคำว่าตระกูลที่ได้รับสมมติเป็นเสขะความว่าตระกูลที่ชื่อว่าอันสงสมมุติเป็นเสขาได้แก่ตระกูลมีศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์สงย่อมให้สมมุติตระกูลเช่นนี้เป็นเสขาด้วยยติทุติยกรรมคำว่าอนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่า ชื่ว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ข อ, อนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขาเช่นนั้นคือในตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขาเช่นนี้ที่ชื่อว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้คือภิกษุที่เขาไม่ได้นิมนต์เพื่อฉันในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เขานิมนต์เมื่อภิกษุเดินผ่านอุปจารเรือนเข้าไปแล้วนี้ชื่อว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้ ที่ชื่อว่าได้รับนิมนต์คือภิกษุที่เขานิมนต์เพื่อฉันในวันนี้หรือพรุ่งนี้คือเขานิมนต์ขณะที่ภิกษุยังไม่ได้เดินผ่านอุปจานทร์เข้าไปนี้ชื่อว่าได้รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าไม่เจ็บไข้คือภิกษุสามารถไปบินถบาทได้ที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะหยามะกาลิกสัตตหักาลิกและยาวชีวิคนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะหคือ ข้าวสุกขนมกุ ม, มาดข้าวตูปลาเนื้อภิกษุไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่เป็นไข้รับไว้ด้วยคิดว่าจะเคี้ยวจะ ฉ, ออกกฉันต้องอาบัตรทุกกฎฉันต้องอาบัตปาติเทศนิยะทุกๆคำกลืน